เวลาฟังธรรมนี่มันเป็นเวลาที่เราต้องใช้ความสงบของจิตใจสมัยพุทธกาลคนตัองห้าร้อยคนพันคนฟังเทศไม่ฟังได้ทั่วถึงเงียบแต่สมัยนี้เราเสียงดังแล้วต้องใช้ไมโครโฟ น, นธรร ม, มาภาคปฏิบัติไม่เหมือนเรียนปริยัติเรียนปริยัตินั้น คนสอนเขาเตรียมคำสอนมามีโผลมีอะไรนะพูดตามโผไปธรรมะภาคปฏิบัตินะฟังกันด้วยใจคนแสดงธรรมก็แสดงกันด้วยใจนะสำนวนของพวกเซน จ, จากจิตสู่จิตถ้าใจเรามีสามาธิมีความสงบสบายรู้เนื้อ ร, รู้ตัวธรรมะก็จะประนีต ใ, ใจเราวอกแวกวอกแวกนะธรรมะไม่ประณีตลึกซึ้งสู้กิเลสไม่ได้นี่วันนี้ทางโรงพยาบาลนี่มอญหลวงพ่อมาเทศเรื่องสุขภาพจิตพัฒนาอะไระสุขภาพจิตด้วยการเจริญสติในชีวิตประจําวันหลวงพ่อก็ไม่ค่อยรู้จักนะว่าสุขภาพจิตเขานิยามว่าอย่างไงที่นี่รู้ดีกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อรู้แต่เรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติมันก็มีทั้งสองส่วน การเจริญสติในชีวิตประจําวันก็อันหนึ่งการปฏิบัติในรูปแบบก็เป็นอีกอันนึงสองอันนี้ก็คู่กูลกันทําได้ทั้งสองอย่างดีที่สุดถ้าทําในรูปแบบไม่ได้เจริญสติในชีวิตประจําวันก็ยังดีกว่าไม่เจริญเลยแต่มันเจริญไปได้ช่วงหนึ่งนะจิตจะไม่มีพลังพอหรอกเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบไปเลยเนะี่ยไม่ได้หรอกอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆหัด ภาวนาทําทสมาธิทําอะไรนี่มาตั้งแต่เจ็ดขวบไม่เคยทิ้งนะจิตมันก็มีพลังขึ้นมานะมีความรู้มีความตื่นมีความเบิกบานขึ้นมาแล้วเราก็น้มน้อมจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะี่มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้าเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจเมื่อตามองเห็นรูป หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแตง่งความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในกายในใจนะเราคอยรู้ทันไปเรื่อยรู้ทันไปเพื่อวันหนึ่งเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเนเป้าหมายจริงๆเราต้องการมาตรงนี้นะการปฏิบัติทำส่วนการเจริญสติในชีวิตประจาวันนน เอาไว้อยู่กับโลกก็ได้นะเป็นวิธีการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องสาคัญมากมากคนคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องไปใช้เวลามากๆในการนั่งสมาธิในการเดินจงกรมคิดว่านั่งสมาธินานๆวันละหลายๆชั่วโมงแล้วจะบรรลุมากผลนิพพานมันคนละเรื่องกันคือการที่เราจะพ้นจากความทุกข์ได้ให้มีความสุข อยู่ที่ทำงานก็มีความสุขในการทำงานอยู่บ้านก็มีความสุขที่ได้อยู่บ้านอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่กันได้จะเรียกว่าสู่ภาพจิตดีก็คงจะดีเลิศมันไม่มีความเครียดเกิดขึ้นในใจนะถ้าเรามีปัญญามากพอนะงินเนื้อหาสาระในการที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีสองส่วนนะที่เกี่ยวกับการฝึกจิตฝึกใจของเราพัฒนาจิตใจของเรา ส่วนหนึ่งก็คือพัฒนาจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้ก็คือฝึกให้มันมีสมาธิถ้าใจไม่มีสมาธิมันก็ลืมเนื้อลืมตัวอันที่สองก็ฝึกให้เกิดปัญญาคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกถ้าเราเห็นความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือรูปธรรมนามธรรมากายใจที่รวมกันเป็นตัวเราเนี่ยถ้าเราเห็นความจริงได้ความจริงของมันจะเป็นของไม่เที่ยงความจริงของมันเป็นทุกข์ความจริงของมันบังคับไม่ได้นะ อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในกายในใจเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปความทุกข์ทางจิตใจมันเกิดจากจิตใจของเราไม่ฉลาดยอมรับความจริงในชีวิตไม่ได้อย่างร่างกายมีธรรมชาติต้องแก่ไม่อยากให้แก่หรือแก่ขึ้นมาก็เครียดร่างกายต้องเจ็บไม่อยากให้เจ็บก็เครียดแล้วทุกข์ทางใจเกิดขึ้น ร่างกายา ต, ต้องตายไม่อยากจะตายความทุกข์ทางใจก็เกิดขึ้นหรือจิตใจของเรามันต้องสัมผ <Yes>, right ัสกับสิ่งที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างอย่างเราพลัดพลากจากสิ่งที่เรารักเนี่ยเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าเราจะต้องพลาดพลากเราก็มีความทุกข์เราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักบ้างถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้เราจะเอาแต่ว่าเจอแต่อารมณ์ที่ดีเจอของไม่ดีเรารับไม่ได้เราก็ทุกข์อีกนะ หรือมีความอยากเกิดขึ้นมันไม่สมอยากเราก็ทุกข์อีกความสมอยากมันไม่มีทางเป็นไปได้จริงนะเพราะว่าความอยากของเราจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาได้อันนี้เราจะอยากอ น, นุนไปเรื่อยสุดท้ายมันไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นอีกความทุกข์ทางใจเครียดสุขภาพจิตเสียแต่ถ้าจิตใจของเราฉลาดนะเราเห็นความจริงอย่างความจริงว่าร่างกายต้องแก่เวลาแก่ขึ้นมามันก็ไม่ทุกข์เวลา ยอมรับความจริงร่างกายต้องเจ็บเจ็บขึ้นมามันก็ไม่ทุกไม่ทุกที่ใจมีแต่ความทุกข์ทางกายอย่างเดียวเราต้องตายเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องพลัดพรากจากคนที่รักนี่เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักเราต้องผิดหวังบ้างอะไรบ้างถ้าจิตใจเรายอมรับความจริงได้เราก็จะไม่ทุกข์ทางใจเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยตัวที่จะทําให้เรามีสุขภาพจิตดีเลิศเนี่ย ไม่ใช่การฝึกสมาธิฝึกอะไรหรอกมันก็คือการฝึกให้จิตได้เห็นความจริงซ้ําแล้วซ้ําอีกความจริงของกายของใจตัวเองนี่แหละเพราะสิ่งที่เรารักที่สุดห่วงแหนที่สุดก็คือกายกับใจของเราที่รวมกันเป็นตัวเรานี่แหละเรารักตัวเองที่สุดถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นของบังคับไม่ได้ถ้าไม่เห็นความจริงได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ใจมันจะไม่ทุกข์ไม่มีความเครียดหรอกสุขภาพจิต ด, ดีเลิศเลยนะทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนะไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาเลยดีอัตโนมัติไปหมดเลยแต่ถ้าเราสุขภาพจิตไม่ดีเราเข้าแต่นั่งสมาธินั่งสมาธิสบายใจพอออกจากสมาธิก็กระทบอารมณ์นะสุขภาพจิตเสียอีกแล้วเกิดความทุกข์ความเครียดขึ้นมาอีกลแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะขจัด ความทุกข์ความเครียดในจิตใจนะั้นจะเข้าถึงความสุขอันแท้จริงแล้วก็อมตะในจิตใจเราได้เนี่ยอยู่ที่เราพัฒนาปัญญาขึ้นมาได้หรือไม่ถ้าเรามีปัญญาเราเห็นความจริงของกายของใจใจิตใจเข้าถึงความสุขความสงบเข้าถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเราจะไปวาดภาพนิพพานเอาไว้ลึกลับซับซ้อนนะไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรนิพพานเป็นสภาวะที่จิตมันพ้นจากความอยาก นิพพานเป็นสภาวะที่จิตใจเราพ้นจากความดิ้นรนปรุงแต่ง น, นิพนิพพานนะไม่มีอะไรมาบีบคั้นมันเนี่ยถ้าเราภาวนาเห็นความจริงได้ก็เข้าถึงนิพพานได้เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้พระเจ้าถึงย้ำบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเพั้นวันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องการเจริญปัญญานะส่วนเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวันนี้เป็นส่วนประกอบที่สําคัญมาก ในการเจริญปัญญาเมื่อกี้หลวงพ่อเล่าแล้วนะว่าสิ่งที่เราจะต้องฝึกทางใจมี2 อ, อันอันหนึ่งต้องฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวซะก่อนอันที่2พอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วถึงจะเจริญปัญญาคือคอยรู้ความจริงของกายของใจได้ธรรมชาติจิตใจของเราเนี่ยมันลืมตัวเองตลอดเวลาตื่นขึ้นมาเราก็คิดถึงสิ่งอื่นอย่างถ้าเป็นผู้บริหารตื่นขึ้นมาก็คิดถึงงานนะ ถ้าเป็นหนุ่มสาวตื่นขึ้นมาเขาคิดถึงแฟนเป็นคนวัยทำงานก็คิดอีกอย่างนะจะทำงานยังไงจะไปทำมาหากินอะไตื่นขึ้นมาใจเราก็หลงไปอยู่ในโลกของความคิดที่เวลาเราไปดูเราเห็นสิ่งต่างๆเราก็เพลิดเพลินไปในการดูเราได้ยินเสียงเราก็เพลิดเพลินไปในการฟังอยู่คนเดียวไม่มีอะไรทําเราก็เพลิดเพลินไปในโลกของความคิด สังเกตตัวเราเองตั้งแต่ตื่นนอนมานะเราหลงไปอยู่ในความคิดตลอดเวลาเลยหาคนที่จะรู้สึกตัวหาคนที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงๆนะหายากมากในโลกนี้ในโลกมีแต่คนหลงเมื่อมันหลงได้นะความทุกข์มันเกิดตอนที่หลงนั่นแหละ <S <S ถ้าไม่หลงความทุกข์ไม่มีหรอกถ้าจิตไม่หลงไม่โง่นะจิตเห็นความจริงของรูปนามของกายของใจจิตจะไม่ทุกข์เลยนะนี่จิตมันหลงตลอดเวลา เรารู้สึกไหมวันวันหนึ่งนะตื่นนอนมาเราก็คิดเรื่องนอนเรื่องนี้นะคิดไปอดีตคิดไปอนาคตลืมตัวเองร่างกายอยู่ในท่าไหนเราก็ลืมจิตใจเราเป็นสุขหรือจิตใจเราเป็นทุกข์เราก็ไม่รู้จิตใจเราเป็นบุญหรือจิตใจเราเป็นบาปเราก็ไม่รู้เนี่เราลืมตัวเราเองตลอดเวลาทํำยังไงเราจะต้องกลับมาปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาไม่ใช่ตื่นแต่ร่างกายแต่อไปนี้จิตใจต้องตื่นขึ้นมาด้วย เมื่อสักสาสิปีก่อนนะครูบาอาจารย์ยังมีมากนะแต่ว่าคนที่ภาวนาแล้วจนตื่นขึ้นมาได้นี่มีน้อยหลวงพ่อเคยสอนเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งสิบกว่าคนหนึ่งสิบอ็ดคนอยนี้นั่งรถตู้ไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกันเข้าไปในวัดนะท่านเห็นนะท่านหันมามองเลยว่าทำไมไปรวมกันมาได้เยอะขนาดนี้คือคนที่รู้สึกตัวในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวในโลกมีแต่คนหลงตื่นขึ้นมาก็หลงไปอดีตหลงไปอนาคตหลงไปเรื่องนอนหลงไปเรื่องนี้ รักตัวเองที่สุดนะแต่ไม่เคยรู้สึกต e ัวเองเนี่ยเป็นจุดที่ด้อยที่สุดเป็นจุดที่อาภัพที่สุดแล้วก็เป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้ความทุกข์เข้ามาสู่จิตใจของเราได้เราไม่สามารถที่จะเจริญปัญญาคือเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ถ้าเราใจลอยเราใจลอยนะเราจะลืมกายมีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเวลาเราใจลอยนะจิตใจเป็นสุขเราก็ไม่รู้จิตใจเป็นทุกข์เราก็ไม่รู้จิตใจเป็นกุศลหรืออกุศลเราก็ไม่รู้ เพราะ้นเราต้องมาฝึกฝนตัวเองนะให้ตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงไม่ใช่ตื่นแต่ร่างกายแต่จิตนี้ต้องตื่นด้วยครับว่าพุโทโธพุโทโธนะเราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธพุโทโธแปลว่าอะไรพุโทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเราจะตื่นไหมจิตจะเป็นผู้รู้ไหมจิตเราเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้คิดนึกปรุงแต่งในความเป็นจริงแล้วจิตของเราเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่ ง, ง, งไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน งั้นเราต้องมาปลูกจิตให้ตื่นขึ้นซะก่อนนะก่อนที่จะถึงขั้นของจาย์เจริญปัญญาทุกวันนี้ที่หลวงพ่อออกไปเทศนะ์นะหรือมีซีดีแจ ก, ยกเยอะแยะไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองคนฟังซีดีนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยนับจำนวนไม่ท้วนในขณะเนี้ยเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีในพลคนหนึ่งมาในพลตำรวจมาหาไปได้ซีดีหลวงพ่อมาจากแม่ค้าขายส้มตำแม่ค้าใส่ส้มตามีซีดีแจกด้วยนะ ไปฟังฟังนะใจค่อยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาเลยรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยหลงตลอดเลยเร า, าหาคนรู้สึกตัวหายากนะงั้นต่อไปนี้เราต้องมาค่อยรู้สึกตัวอย่าให้ใจล่องลอยไปลืมเนื้อลืมตัวนะคอยรู้สึกตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเรียกว่าสภาวะที่จิตมีสมาธินั่นเองสมาธิมันมีสองชนิด สมาธิชนิดที่หนึ่งี่ยจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวสมาธิอย่างที่2เนี่ยจิตใจตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่สมาธิที่จิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยเอาไว้ทําสมถะส่วนสมาธิที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเอาไว้เจริญปัญญาเอาไว้ทํำวิปัสสนาสมาธิอย่างแรกใครๆเขาก็ทำศาสนาอื่นเขาก็มีอย่างมุสลิมเขาละหมาดวันละ5ครั้งเขาคิดถึงพระเจ้าเวลาที่เขาคิดถึงพระเจ้าก็คือการทําสมาธิทําสมถะ จิตใจอยู่กับพระเจ้าไม่หนีไปที่อื่นจิตใจก็มีความสุขมีความสงบเรามาหัดภาวนาเราต้องพุโทโธพุโทโธจิตใจเราคิดถึงแต่พระพุทธเจ้าจิตใจเราอยู่ในอารมณ์อันเดียวคือพระพุทธเจ้าจิตใจเราก็สงบเรามารู้ลมหายใจจิตใจเราไม่หนีไปไหนเลยจิตใจเราอยู่ที่ลมหายใจจิตใจเราก็สงบเราไปดูท้องพองยุบนะจิตเราไม่หนีไปไหนจิตอยู่ที่ท้องอันเดียวจิตก็สงบ งั้นสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยเป็นสมาธิทั่วๆไปศาสนาอื่นก็มีนักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ไปทําก็ได้สมาธิชนิดที่สงบนั่นแหละแต่เห็นนิโมงนิมิตนะเห็นนั่นนอนเห็นอันนี้ฉันก็ต้องมาเป็นลูกค้าของโรงพยาบาลเนี่ยเยอะนะพวกภาวนาผิดๆนะมีเยอะนะภาวนาเพียเพ้ยนๆไปเห็นนันเห็นนี่ทั้งคนก็ไม่เห็นกันกัน แ, แยกไม่ออกว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงแล้วสมาธิแบบนั้นก็ ที่จริงก็สนุกดีนะเอาไว้เที่ยวเล่นไว้สงบไว้พักผ่อนเพลิดเพลินมันมีสมาธิที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันอาภัพที่สุดเลยมีสมาธิของพระพุทธเจ้าแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้จักกระทั่งชาวพุทธก็ไม่ค่อยรู้จักมันมีชื่อเป็นทางการนะว่าลักขณูกนิชฌานสมาธิที่จิตเพ่งในอารมณ์ันเดียวสงบเนี่ยเรียกอารมณูปนิชฌานสมาธิมีสองชนิด สมาธิชนิดแรกใครๆเขาก็ทำทั่วๆไปไม่แปลกเราต้องมาพัฒนาสมาธิอย่างที่สองเนี่ยวิธีที่เราจะเกิดสมาธิรู้เนื้อรู้ตัวนะเราคอยหัดรู้ทันเวลามันเผลอถ้าเรารู้ทันว่าเผลอนะเราจะรู้สึกตัวนี่เป็นกฎเลยนะเป็นกฎเลยถ้าเรารู้ว่าจิตหลงไปเผลอไปเราจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นในฉับพลันเลย งั้นวิธีที่เราจะรู้สึกตัวได้ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้ก็คือรู้ทันเวลาจิตมันเผลอไปนี่การปกติจิตมันเผลอทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วชอบไหลไปคิดตลอดเวลาเราไม่รู้ตัวอยู่ๆจะไปบอกให้มันรู้ตัวมันรู้ยากเราก็ต้องช่วยมันนะวิธีช่วยมันก็หากรรมาฐานอย่างหนึ่งขึ้นมา จะอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้นะใครถนัดดูท้องพองยุบก็ใช้ท้องพองยุบก็ได้จะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้นะจะทําอะไรกรรมฐานอะไรก็ได้นะที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของตัวเองทําขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ทําเพื่อให้จิตสงบทําไปเพื่อรู้ทันจิตตรงการที่คอยรู้ทันจิตนี่แหละเป็นจุดสําคัญที่เราจะได้ความรู้สึกตัวขึ้นมานะถ้าเราขาดสติแนละ้วจิตก็ล่องลอยไปเราก็ลืมเนื้อลืมตัว เรารู้ทันว่าจิตมันเผลอไปคิดแล้วนี่เราจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นในฉับพลันเลยงั้นเอาใหม่ต่อไปนี้นะเราพุทโธพุทโธคนไหนเคยพุทโธก็พุทโธแต่ไม่ใช่พุทโธเพื่อให้จิตไปอยู่กับพุทโธเราพุทโธแล้วเรารู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันจะคิดเรื่องอะไรไม่สําคัญสําคัญที่รู้ว่ามันไปคิดนะหรืออยู่กับลมหายใจเราเห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นคนดูพอมันเผลอไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทัน หรือจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้ทันนะถ้าเรารู้ทันได้อย่างเนี้จิตเราจะตื่นขึ้นมาจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมามันเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นมาเลยนะจะตื่นทั้งกายตื่นทั้งใจขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์งั้นเราคอยรู้ทันฝึกนะไม่ได้ฝึกบังคับตัวเองไม่ได้ฝึกควบคุมตัวเองถ้าคิดจะฝึกบังคับตัวเองจะเครียดเราแค่ฝึกรู้ทันเวลาจิตมันแอบไปคิด เดี๋ยวมันก็ไปคิดเดี๋ยวมันก็ไปคิดนะเราหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งพุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดรู้ทันรู้ลมหายใจไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันหรือจิตเข้าไปเพ่งลมหายใจรู้ทันจิตไปเพ่งท้องรู้ทันเดินจงกรมก็ได้เดินไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าแล้วรู้ทันจิตนี้ไปคิดจิตก็เคลื่อนไปจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่เท้า เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นโดยฉับพลันโดยอัตโนมัติไม่ต้องรักษามันนะไม่ไม่ต้องเจตนาให้มันตั้งมั่นมันจะเกิดขึ้นเองนี่เป็นเคล็ดลับในการภาวนานะถ้าพวกเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นไม่มีจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวที่เราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องเราเจริญปัญญาไม่ได้จริงการเจริญปัญญาหลวงพ่อบอกแล้วมันคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจ ก็ถ้ากายกับใจเรายังลืมไปแล้วเราจะไปเห็นความจริงของกายของใจได้อย่างไงนะงั้นจุดแรกเลยเราจะต้องรู้สึกตัวไม่ลืมกายไม่ลืมใจร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงก็รู้ร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้คอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจรู้สึกอย่างสบายๆอย่าลืมคําว่าสบาย ถ้าทิ้งคำว่าสบายนะทำผิดแน่นอนเลยนี่พอเราฝึกได้จิต ท, ที่เป็นผู้รู้แล้วเนี่ยเราไปจนถึงขั้นเจริญปัญญาได้จิตใจที่มีผู้รู้นะมันก็จะเป็นจิต ท, ที่รู้เนื้อรู้ตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าพูดภาษาง่ายๆเป็นมภาว่าที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้อย่างเรานั่งอยู่เนี่ยเราก็ค่อยๆรู้สึกไปร่างกายที่นั่งอยู่นะเป็นของที่จิตไปรู้เข้า พวกเราขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมลองทุกคนลองพยักหน้าสิลองพยักหน้านะแล้วรู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวแค่รู้สึกนะเราเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวลองขยับมือสิขยับมือนะร่างกายเคลื่อนไหวใจของเราเป็นคนดูค่อยๆรู้สึกไปหัดไปแล้วต่อไปเราจะพบอย่างหนึ่งนะว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันแยกออกจากกันได้เราจะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่น ใจเราเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปอินกับมันหรอกร่างกายก็เคลื่อนไหวไปจิตอยู่ต่างหากถ้าฝึกได้ตรงนี้ยังไม่ได้มากได้ผลอะไรนะแต่ว่ามีประโยชน์มหาศาลแลอย่างเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะเห็นเลยร่างกายมันป่วยเราไม่ได้ป่วยด้วยใจไม่เกี่ยวนะใจจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนหรอกร่างกายมันเจ็บร่างกายมันจะตายจิตใจไม่ได้เกี่ยวด้วยจิตใจเป็นคนดูอยู่เนี่เราค่อยๆมาฝึกแยกกายแยกใจออกจากกัน นี่บางคนแยกกาแยกใจไม่เป็นมาฝึกแยกความรู้สึกกับจิตใจก็ได้คนไหนขี้โมโหก็ดูไปความรู้สึกโมโหเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความรู้สึกโลภความรู้สึกฟุ้งซ่านความรู้สึกหดหู่นะไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่หัดแยกความรู้สึกกับจิตความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตคือตัวที่ไปรู้สิ่งต่างๆนะพวกเรามีจิตก็คือเรามีความรู้ นี่เราคอยหัดนะหัดแยกร่างกายออกไปส่วนนึงใจเป็นคนดูความสุขความทุกข์แยกไปอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจเราเป็นคนดูความโลภความโกรธความหลงแยกออกไปส่วนนึงใจเราเป็นคนดูการที่เราหัดแยกอย่างนี้เรียกว่าการหัดแยกรูปนามแยกธาตุแยกขันธ์นะการที่จะทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเบื้องต้นต้องหัดแยกรูปนามเสก่อน ไม่ใช่ไปนั่งทำสมาธินิ่งๆ น, นะกายกับใจรวมเป็นก้อนเดียวกันอยู่ั้นหรือร่างกายหายไปเหลือแต่ใจอันเดียวนิ่งๆว่างๆอันนั้นเรื่องของสมถะเรื่องของความสงบแต่ถ้าเราต้องการเห็นความจริงของกายของใจนะก็ขั้นแรกฝึกใจไหลไปแล้วรู้ทันนะเราจะได้ความรู้สึกตัวขึ้นมาเราจะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ดูลงไปร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดู นะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายจิตใจเราเป็นคนดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจิตใจก็ ker, จิตใจเราเป็นคนรู้คนดู وب, โลภโกรดหลงเกิดขึ้นในใจใจเราเป็นคนรู้คนดูเราฝึกจนกระทั่งมันมีคนดูอยู่คนหนึ่งคนดูนี้ไม่ใช่คนที่เข้าไปหลงอินกับทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราตอนนี้เราไม่มีคนดูมีแต่ผู้ที่ไปอินกับอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง ดูละครแล้วก็อินกับละครนะดูทีไรถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็รู้สึกเราเป็นนางเอกนะเป็นผู้ชายเราก็เราเป็นพระเอกจริงหน้าตาเหมือนควายปิดเรากยังอยากเป็นพระเอกอะไรเงี้ยนะมันอินไปทุกสิ่งทุกอย่างนะอ่านข่าวก็อินใช่ไหมอ่านเรื่องการเมืองก็อินทำอะไรอินหมดเลยนะพายุจะมาก็อินอีกนะใจมันเข้าไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดไปถือตลอดเลย เราค่อยๆมาฝึกตัวเองนะให้ใจมาเป็นคนดูไม่ใช่ผู้แสดงไม่ใช่ผู้ที่ไปอินกับทุกสิ่งทุกอย่างมาฝึกใจให้มันเป็นอิสระขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยหลวงพ่อใช้เวลาฝึกเนี่ยไม่มากหรอกตอนเด็กๆมันมีวิธีสองอย่างในการฝึกให้ใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้เนี่ยอันหนึ่งเข้าสมาธิไปนะอย่างเรารู้ลมหายใจลมหายใจทีแรกมันจะยาวลงไปถึงท้องนะหายใจสบายหายใจแบบผ่อนคลาย รู้สึกลมหายใจยาวหายใจไปพอจิตเริ่มสงบนะ้ำลมจะตื้นๆขึ้นในที่สุดลมก็หยุดกลายเป็นแสงสว่างนลมหายใจเป็นแสงสว่างนะค่อยๆสังเกตแสงสว่างนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นปีติสุขก็ถูกรู้อีกจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมานะค่อยๆตั้งขึ้นมาแยกไปเรืเห็นแสงสว่างขึ้นมาเรารู้ทันว่าจิตเราไปจับอยู่กับแสงสว่างจิตก็ปล่อยนะจิตก็ตั้งขึ้นมา มาเป็นคนดูมีปีติแล้วก็เห็นอีกปีติเป็นของถูกดูจิตเป็นคนดูมีความสุขก็เห็นความสุขของถูกดูจิตเป็นคนดูมีอุเบกขาขึาข้นมาอุเบกขา Velvet เป็นของถูกดูจิตเป็นคนดูในสุดเราก็ได้จิตที่เป็นคนดูจนชำนิชำ น, นานขึ้นมาถ้าอย่างเนี้ยยากไปพวกเราเข้าสมา ธ, ธิไม่ค่อยเป็นก็ใช้วิธีที่หลวงพ่อบอกแหละพุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดแล้รู้ทันเราก็จะได้ตัวรู้ขึ้นมาเหมือนกันแต่ตัวรู้ตัวนี้อายุสั้นกว่าพวกที่เข้าสมาธิมานะ พวันนั้นจะทรงความรู้สึกตัวอยู่ได้นานทีหนึ่งหลายๆวันอย่างของเราจะรู้สึกตัวได้เป็นแวบๆบแวบๆบแบบแบบก็เอาละนะแล้วก็คอยมาแยกกายแยกใจออกไปนะถ้าเราทําตรงนี้ได้แล้วก็การปฏิบัตินะั้นก็จะเป็นเรื่องง่ายล้อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยสมมตเราเดินเข้าโรงพยาบาลเห็นร่างกายมันเดินใช่เราเป็นคนรู้สึกเท่านั้นเองร่างกายมันเดินร่างกายมันทํางานร่างกายมันเหน็ดเหนื่อย ร่างกายมันหิวข้าวร่างกายมันหนาวร่างกายมันร้อนใจเราเป็นคนดูสบายๆค่อฝึกไปเรื่อยวันหนึ่งมันก็เห็นความจริงร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุซึ่งไม่คงที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกร่างกายเดี๋ยวหายใจเข้าร่างกายเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนนี่เห็นแต่ความไม่คงที่ือความไม่เที่ยงร่างกายเป็นวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลา เดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกนะลมหายใจก็เป็นวัตถุธาตุเท่านั้นเองเดี๋ยวกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายดื่มน้ําเข้าไปเป็นเหงื่อออกไปอะไรเงี้ยปสัสสาวะออกไปมีแต่ธาตุหมุนเวียนเป็นแค่วัตถุนเใจมันค่อยเห็นความจริงของร่างกายนะร่างกายมีแต่ความแปรปรวนไปเรื่อยไม่คงที่ร่างกายเป็นแค่วัตถุค่อยๆรู้สึกนะต่อไปความยึดถือห่วงแห็นในร่างกายมันค่อยๆลดลงเพราะร่างกายจะแก่ เรื่องของร่างกายร่างกายมันจะต้องแก่มันเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายมันเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยถ้าเราฝึกจเจริญสติเจริญปัญญาไปเรื่อยนะสุดท้ายเราจะเห็นวนะ่าทุกอย่างมปนเรื่องธรรมดาหมดอนะในชีวิตเรานะทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปทั้งสิ้นเลยหรือเรามารู้เท่าทัานจิตใจของเรานะจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขจิตใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเราเดี๋ยวก็ดีจิตใจเราเดี๋ยวก็กร้ายเดี๋ย ut วก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงนะโกรธก็โกรธชั่วคราว รลภก็โลบชั่วคราวหลงก็หลงชั่วคราวสงบก็ชั่วคราลหดหูก็ชั่วคลาวดีใจก็ชั่วคราวเสียใจก็ชั่วคราวสุขก็ชั่วคลาวทุกข์ก็ชั่วคราเนี่หัดดูความจริงหัดดูของจริงในใจเราไปเรื่อยนะจะเห็นวมันมีแต่ของชั่วคลาวที่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนี่เรียกว่าเห็นอนิจจันะในจิตใจของเรา แล้วจิตใจจะสุขหรือจิตใจจะทุกข์เราก็เลือกไม่ได้เราสั่งไม่ได้ตรงที่เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเรียกว่าอนัตตาหรือจิตใจจะดีเนี่ยสั่งให้ดีมันก็ไม่ดีห้ามชั่วมันก็อยากชั่วมันจะทำชั่วสั่งให้สุขมันก็ไม่ยอมสุขสุขแล้วบอกให้อยู่นานๆมันก็ไม่อยู่ห้ามทุกข์นะมันก็จะทุกข์ทุกข์แล้วบอกว่าให้หายเร็วๆมันก็ไม่หายมันไม่อยู่ในอำนาจ นี่เรามาดูของจริงในกายดูของจริงในใจนะเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของเป็นทุกข์เห็นแต่ของบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้นี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาถ้าเราจเจริญปัญญามากเข้ามากเข้าจิตมันจะยอมรับความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเรานี้เป็นของชัว่วคราวทั้งหมดเลยถ้าจิตใจเรายอมรับได้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชัว่วคราวนะต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทางกายทางใจของเราเราไม่ได้เดือดร้อนเลย น้ำจะท่วมบ้านพากเรื่องธรรมดามันแห้งมานานแล้วมันจะท่วมนะเราก็มีหน้าที่กั้นมันไว้ต่อสู้น้ำเต็มที่สู้ได้แค่นี้มันท่วมแล้วเขืนะ่อน <c oughs> ของเราพังไปแล้วช่วยไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็ไปน้ำมันก็ต้องแห้งอย่างใครเคยอกหักไหมมีไหมในห้องนี้ยกมือสิใครเคยอกหักบ้างนี่ยกยบิบเยอะนะเยอะอกหักก็ดีกว่ารักไม่เป็น อ, อกหักรู้สึกไม่ตอน อ, อกหักเสียใจไหมเป็นทุกข์ไหมบอกตัวเองไหมว่าอย่าไปคิดถึงเขาบอกนะอย่าไปคิดเลยเรื่องนี้ลืมลืมมันซะเถอะพวกเพื่อนชอบมาปลอบนะัลืมซะเถอะพูดง่ายทําไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะจิตเป็นอนัตตาจิตมันจะคิดหรอใครอย่ไปห้ามมันได้เห็นหแล้วความทุกข์ต้องมีตั้งมากมายใช่ไหมพอเวลาผ่านแต่ความทุกข์ก็หายไปนะมันก็ไม่ได้ทุกข์ตลอดเนี่เรามาดูของจริงในชีวิตเรานะสุขมันก็ไม่ตลอดกาลทุกข์มันก็ไม่ตลอดกาล อะไรๆมันก็ไม่ตลอดการร่างกายมันก็ไม่ตลอดการจิตใจเราก็จะสุขจะทุกข์จะดีจะร้ายก็ของชั่วคราวไปหมดเลยถ้าเรายอมรับความจริงได้นะว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเนี่ยต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเราไม่ทุกข์หรอกนะความทุกข์จะลดลงสุขภาพจิตเราจะดีขึ้นดีขึ้นนะเนี่ยวิธีปฏิบัตินะแต่ว่าพอถึงขั้นตอนการปฏิบัติมก็ทําได้2แบบอันนึงทําในรูปแบบอันนึงทําในชีวิตประจําวัน ที่หลงพ่อบอกวันนี้จเจริญสติในชีวิตประจําวันอะไนี่มันเป็น ال แค่ส่วนหนึ่งนะแตเป็นส่วนใหญ่ส่วนสําคัญเพราะว่าเวลาที่เราไปนั่งสมาธิไปเดิ น, นจงกรมวันวันเราทําได้ไม่มากชีวิตส่วนใหญ่ของเราก็คือชีวิตธรรมดานี่แหละงั้นตรงนี้สําคัญชีวิตประจําวันนี่แหละสําคัญนะถ้าเราทิ้งตรงนี้นะเราคิดแต่ว่าการปฏิบัติต้องไปนั่งสมาธิในรูปแบบต้องไปเดินจงกรมในรูปแบบวันหนึ่งทําได้ไม่มากเพราะชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ในชีวิตประจําวันงั่นการปฏิบัติเนี่ยจะไม่เลือกนะ ไม่ใช่เลือกว่าเวลานี้ปฏิบัติเวลานี้นไม่ปฏิบัติเราต้องตั้งหลักว่าอย่างนี้เลยเวลาทั้งหมดเนี่ยเพื่อการปฏิบัติชีวิตของเรามีเป้าหมายนั่นคือการยกระดับจิตใจให้พ้นจากความทุกข์เรื่องอะไรเราจะต้องจมอยู่ในกองทุกข์ตลอดปีตลอดชาติกี่ปีกี่ชาติก็ต้องจมในความทุกข์เราเรื่องอะไรต้องทําอย่างนั้นเราต้องหน้าที่ของเรานะเราต้องรู้เลยว่าเป้าหมายในชีวิตเราเนี่ยเพื่อยกระดับจิตใจเราให้พ้นจากความทุกข์เพราะฉะั้นงานหลักในชีวิตเราเนี่ยคืองานพัฒนาจิตใจให้พ้นจากความทุกข์ ส่วนการทํามาหากินการเรียนหนังสือการอะไรเนี่ยมันเป็นงานเพื่อจะอยู่กับโลกเราอยู่กับโลกชั่ครั้งชัวคราวแต่เราก็ต้องเรียนต้องทํางานต้องอะไรนะเพื่อจะเลี้ยงชีวิตอยู่แต่เราต้องไม่ลืมว่างานหลักของเราจริงๆคืออะไรอย่างเราอยู่ในโลกนะเราก็เรียนหนังสือเก่งนะจนเป็นผู้อํานวยการเป็นอะไรนะเดี๋ยอายุ60ก็ไม่ได้เป็นละนะหมดละที่ว่ามีมีมมมก็ไม่มีนะมีเก็บทรัพย์สินเงินทองไว้นะวันนึงคนอาจจะโกงไปหรือว่าบ ธนาคารล้มนะอะไรแชร์ล้มอะไรนี้หายไปอีกนะจะไม่เหมือนธรรมะนะธรรมะถ้าเราฝึกฝนไปไม่หายมันอยู่กับเราตลอดได้แล้วจิตใจของเราจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นงั้นเรามาฝึกพัฒนาตัวเองนะงานหลักของเราคือการพัฒนาตัวเองวิธีพัฒนาตัวเองทําได้2รูปแบบหนึ่งทำในในรูปแบบอันที่สองจเจริญสติในชีวิตประจําวันชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละ เราก็มาเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากวิธีเจริญสติในชีวิตประจำวันเราทําตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งนอนหลับยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดอันนี้นมันจําเป็นเขาจ้างเรามาทํางานเขาไม่ได้จ้างเรามาปฏิบัติถ้าเราคิดว่าเอาเวลาทํางานไปปฏิบัตินี่เข้าขั้นคอร์รัปชั่นนะนี่แต่ถ้าทํำยังไงเราทํางานไปปฏิบัติไปได้ไหมได้เป็นช่วงๆสมมติว่าตื่นนอนมานะเรานึกขึ้นได้วันนี้วันจันทร์ วันจันทร์ความรู้สึกเป็นไงเหมือนกับวันศุกร์ไหมไม่เหมือนใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยดูจิตเป็นเห็นไหมตื่นนอนมาวันจันทร์แห้งแรงเลยใช่ไมเหี่ยวเหี่ยวแห้งแห้งใช่ไหมความจริงบ่ายวันอาทิตย์ก็เริ่มเหี่ยวแล้วล่ะนะเหี่ยวอ่ะพรุ่งนี้ต้องไปทํางานอีกแล้วอย่างเงี้ยนะวันพุธกับวันจันทร์ความรู้สึกเท่ากันไหมวันพุธเป็นไงเบื่อ เบื่อเลยส่วนมากราชการนะวันพุธชอบหากิจกรรมไปทํานิมนต์พระวิเทศกําลังเบื่อเบ่อเลยเบื่อหนักกว่าเก่าอีกบางคนไปเล่นกีฬาอะไรเนี่ยนะวันพฤหัสความรู้สึกเหมือนกับวันจันทร์ไหมวันพฤหัสเริ่มมีความสุขแล้วรู้สึกไหมวันศุกร์วันศุกร์เป็นไงกรดีกระดาษเนี่ยพอตื่นนอนนะให้เรารู้ทันเลยนี่แหละเรียกว่าการเจริญสติในชีวิตประจําวัน่ะเรารู้ลงไปเลยเนี่ยตื่นนอนพอเราคิด ใช่ไหความรู <weet Smash and cookies> ้สึกของเราเปลี่ยนไปตามความคิดเราคิดได้ว่าวันนี้วันจันทร์ความรู้สึกเป็นอย่างนี้คิดว่าวันนี้วันอังคารความรู้สึกเป็นอย่างนี้เคยมีไม่จําวันผิดคิดว่าวันนี้วันศุกร์แล้วที่แท้วันจันทร์นะทีแรกมีความสุขพอนึกได้ว่าวันจันทร์ตาลีตาลานเลยคราวนี้ะความรู้สึกมันเปลี่ยนคอยรู้ทันความรู้สึกของเราไปนะคอยรู้ทันความรู้สึกเรื่อยๆตื่นนอนแล้วก็คอยรู้นะตื่นนอน หรือจะรู้กายก็ได้เห็นร่างกายมันนอนอยู่ใจเราเป็นคนดูใครรู้ตัวว่างเวลาตื่นใครรู้สึกบ้างว่าร่างกายอยู่ในท่าไหนรู้สึกไหมสวยงามไหมเวลาตื่นนอนเนี่ยร่างกายตื่นก่อนหรือจิตใจตื่นก่อนโอ้ตอบตามทฤษฎีเลยจิตใจตื่นนะกจิตมันขึ้นจากระวังก่อนนะต้ค่อยมารู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายนะ เนี่ยแต่ค่อยๆหัดดูของจริงเรื่อยๆนะเวลากินข้าวกินข้าวเราก็ปฏิบัติน ะ, จะเจริญสติได้อย่างเราเห็นอาหารลงไปที่โรงอาหารเห็นแม่ค้าเของมาขายฉังเกตียดไหมแม่ค้าแต่ละคนจะขายของซ้ำๆใช่ไหมกี่ปีก็ขายอยู่อย่างนั้นอนะ่ะจนตั้งแต่เราเริ่มทํางานใหม่ๆจนกเกษียณในแกก็ขายอย่างเดิมอะ่ะนะวเวลาเห็นอาหารอย่างนี้ความรู้สึกของเราเป็นยังไงเรารู้ทัน เห็นอาหารอย่างนี้ความรู้สึกเราเป็นไงเรารู้ทันนี่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมนะเราก็จะเห็นเลยใจของเราเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนตามอะไรตามการมองเห็นใช่ตอนตื่นนอนใจเราคิดใจเราก็เปลี่ยนแปลงเรารู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนตามอะไรตามความคิดใจของเราเปลี่ยนได้นะเมื่อตามองเห็นใจมันก็เปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียงใจมันก็เปลี่ยนอย่างเราเดินเดินอยู่มีคนมาตะโกนเรียกว่าไอ้บ้า ใจรู้สึกไง ส, สดชื่นเห็นไอบ้บ้าอยู่โรงพยาบาล น, นี้ด้วยสิบางทีโมโหมันมาด่าเรานะหันไปหันไปเจอเข้าอ๋อมันเพื่อนรักของเรามันทักทายคําทักทายของมันเรียกเราไอ้บ้าบางทีเรียกชื่อพ่อเลยหลวงพ่อก็เคยนะตอนวัยรุ่นอะชื่อเพื่อนเนี่ยจําไม่ได้จําได้แต่ชื่อพ่อไปที่บ้านเขาครั้งหนึ่งนะเป็นตะโกนเรียกหน้าบ้านเนี่ยจำผิดนะเรียกเกินชินไอ้ชานอยู่ไหมว้ยพ่อมันโผล่มาอยู่ว้ย ใจหายเลยถ้าเราเจออย่างนี้ตกใจไหมตกใจรู้ว่าตกใจะเนี่ยการหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันนะเราคอยรู้ทันความรู้สึกของเราตาเรามองเห็นความรู้สึกเราก็เปลี่ยนหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกเราก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนนะลิ้นถูกรดความรู้สึกก็เปลี่ยนความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งมาสัมผัสร่างกายใจเราก็เปลี่ยนนะ อย่างสมมว่าเรานั่งนั่งอยู่นะมีคนม า, าลูบขาเราลูบแหม่นุ่มนวลใช่นะรู้สึกแหม่ดีจังเลยใครบ้างลืมตาขึ้นมานะกำลังเคลิ้มเลิ้มอุย้ยหมาขี้เลื่อนมาสีอยู่ความรู้สึกเปลี่ยนไหมขยาขแยงใช่ไหมหรือสดชื่นโอ้น่ารักน่าเอ็นดูขนก็ไม่มีอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยนี่ความรู้สึกของเราเปลี่ยนนะให้คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจบ่อยๆไม่ใช่ฝึกเพื่อให้ใจนิ่ง ไม่ใช่ฝึกว่าห้ามเปลี่ยนแต่ฝึกเพื่อให้เห็นว่าใจของเราเนี่ยไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวร้ายก็ชั่วคราวมันเปลี่ยนนะจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วมันเปลี่ยนตามการกระทบอารมณ์ใช่ไหมการกระทบทางตาความรู้สึกก็เปลี่ยนยเห็นเพื่อนรักเราเดินมาดีใจใช่ไหมเห็นหัวหน้ามากําลังทํางานไม่ทันกลัวเขามาเฉงเราไม่สบายใจเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยน เพราะฉั้นการหาดเจริญสติในชีวิตประจำวันนะก็คือการที่เราคอยรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ใ, ในใจของเราเนี่ยแหละซึ่งเขาจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาและการรู้ในชีวิตประจำวันมี2ระดับนะถ้าแค่รู้เฉยๆว่าตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงไอันนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนากรรมฐานถ้าจะเกิดปัญญาอย่างแท้จริงนะเราก็ค่อยดูไปเรื่อยดูบ่อยๆดูไปนานๆดูจนชำนาญ น, นะต่อไปจิตมันจะสรุปขึ้นมาเอง ว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราในความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะมีแต่ของที่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอย่างถ้าเราเห็นแค่ว่าตอนนี้มีความสุขถ้าตรงที่เรารู้ว่ามีความสุขนี้เรียกว่ามีสติแต่ถ้าเราเห็นอีกว่าความสุขก็ไม่ใช่จิตเป็นของที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หายไปเรียกว่ามีปัญญานะงั้นเราต้องฝึกยกระดับจากการรู้ด้วยสติมาให้ถึงขั้นรู้ด้วยปัญญา คือให้เห็นความจริงด้วยความจริงคือไตรลักนะเพราะฉั้นอย่างใจเราโกรธขึ้นมาเรารู้ว่าใจโกรธนะเราก็เห็นในความโกรธมันมาเองเดี๋ยวมันก็ไปมันมาแล้วมันก็ไปเราเป็นคนดูเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นเออความโกรธนี่ไม่เที่ยงแฮมาเราก็ไปความสุขก็ไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปนะไม่ต้องคิดเอาหรอกดูของจริงเอาของจริงแสดงใรลักษอยู่แล้วพวกเราดูของจริงก็เป็นนะพวกเรารู้จักความโกรธเราก็รู้จักใช่ไหมใครไม่รู้จักความโกรธยกมือสิ ต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ละถ้าไม่รู้จัก <c oughs> ความโลภรู้จักไหมความหลงรู้จักไหมฟุ้งซ่านรู้จักไหมหดหูเซงเซงกับกังวลเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมเซงก็เซงกังวลก็กังวลกลัวเสียใจดีใจเห็นไหมอิจฉารู้จักไหมอิจฉาใครเคยอิจฉาบ้างยกด้วยคน ไม่ต้องเคยแหละต้องมีกิเลสบ้างแหละนี่เราคอยดูนะดูของจริงอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งให้ว่างเราต้องการเห็นความจริงถ้าเราพยายามไปบังคับให้นิ่งให้ว่างมันจะเครียดดูของจริงไปเรื่อยนะตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่แหละแต่เวลาที่เราทำงานนะจดจ่อกับงานไปแต่ทำงานแล้วกิเลแสแทรกเข้ามาเช่นวันนี้เห็นคนไข้ยเยอะเลยเสงมากเลยเสงรูว้ว่าเสงนะไม่ไม่ดูให้ดีเดี๋ยวเป็นโรคจิตด้วยคนนะ เราก็ดูของเราด้วยสุขภาพจิตเราจะดีขึ้นดีขึ้นนะจิตใจมันจะเข้าถึงความสุขความสงบร่มเย็นเพราะมันมีปัญญามันเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวชั่วคราว น, ะนี่ปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยนี่แต่ละวันเนี่ยควรจะควรจะนะแบ่งเวลาไว้ช่วง1นึงสัก10นาทีก่อนนอนสัก10นาทีก็ได้หรือตื่นนอนเร็วขึ้นสักสินาทีก็ได้มาทาในรูปแบบ มาไหว้พระมาสวดมนตนะ์มานั่งรู้ลมหายใจมานั่งท่องพุโทโธมาดูท้องพองยุบทำในรูปแบบแล้วคอยรู้ทันจิตที่มันหนีไปคิดนะทำอย่างนี้เรื่อยๆจิตใจเราจะมีพลังจิตใจมันจะอยู่กันเน้กับตัวจะเจริญสติในชีวิตประจาวันได้ดีถ้าเราไม่ทำในรูปแบบเลยน ะ, จะเจริญสติในชีวิตประจวันไปพักเดียวนะั้นไม่มีแรงจะดูไม่รู้เรื่องละดูไม่ได้ดี งั้นถ้าทำความสงบได้ก็ทำนะไม่ห้ามสมรถิก็ไม่ห้ามแต่ทำความสงบแล้วออกจากความสงบต้องเจริญปัญญามาเจริญปัญญาเนี่ยทำได้ทั้ง2แบบทาในสมาธิก็ได้แต่พวกเราคงทำยากแล้วสิ่งที่ทำได้ง่ายหน่อยก็คือทาในชีวิตประจำวันนี่แหละเราเห็นแฟนเราเราจะรู้สึกแตกต่างกับเห็นภรรยารู้สึกไหมตอนเป็นแฟนความรู้สึกอย่างหนึ่งนะ ตอนมีสามีแล้วเนี่ยเป็นเห็นสามีเนี่ยยิ่งสามีที่อยู่กันมานานนานใช่ไหมกับสามีที่เพิ่งแต่งใหม่ๆนะความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันเห็นอืมภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกับภรรยาที่อยู่กันนานแลความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันเนี่ยดูความรู้สึกของตัวเองนะไม่ใช่บัคคับให้นิ่งสงบแต่ดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งมันจะปิ๊งขึ้นมานะว่าทุกอย่างชั่วคราวถ้าใจเรายอมรับความจริงได้ ที่ว่ามีปัญญามีปัญญานะคือใจยอมรับความจริงไนดะ้ได้ดวงตาเห็นธรรมนะใจยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวในตําราชอบใช้คําบอกว่าเวลาบรรลุพระโสดานะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดแหละดับเป็นธรรมดาอันนั้นคือใจมันยอมรับของเราหัดดูของจริงไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งใจยอมรับนะแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้น ถึงเรายังไม่เป็นพระโสดาแค่เราคอยรู้ทันใจของตัวเองมากๆเราจะมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆความทุกข์เนี่ยเกิดจากจิตมันเข้าไปยึดถืออารมณนะ์เข้าไปเกาะไปเกี่ยวอารมณ์แต่ถ้าเรามีสตินะเราเห็นในะร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งความปรุงแต่งนะปรุงดีปรุงชั่วอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากอะไรนี่ยนะความทุกข์จะหายไปเยอะเลยนะแค่แยกธาดแยกขันได้ความทุกข์ก็ลดลงไปเยอะแล้วนะไม่ทันจะได้พระโสดาหรอก ถ้าได้เรายิ่งดีใหญ่ค่อยฝึกไปเรื่อยถ้าเราฝึกถึงขีดสุดนะคือฝึกถึงขิดสุดเนี่ยจิตจะไม่เข้าไปจับอะไรอีกลไม่มีอะไรที่เราจะต้องรักษาอีกต่อไปนะกระทั่งจิตเนเราก็ไม่ต้องรักษานะจิตจะคงที่อยู่มีความสุขนะมีความเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นไม่ต้องไปดูแลมันนะมันไม่เหมือนอย่างพวกเรานยะยังต้องเก็บกวาดขยะในใจของเราอยู่เรื่อยๆก็ต้องฝึกเอา นะฝึกไปถึงจุดหนึ่งนะมันมีที่สิ้นสุดงานทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดนะแต่การปฏิบัติธรรมนี่มีจุดที่ถึงจุดที่สิ้นสุดได้นะเมื่อวันที่ใจเราเห็นความจริงนะว่าทุกอย่างมีแต่ตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยนะใจมันจะหมดความยึดถือในกายในใจแต่ก่อนจะมาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยต้องเห็นก่อนว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไปทุกอย่างไม่มีตัวตนถาวร น, นะงั้นเราฟังธรรมวันนี้เอาแค่พระโสดา ก, ก่อน ให้เห็นฝึกไปเรื่อยดูของจริงนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ทบทอารมณ์ไปความรู้สึกเราเปลี่ยนเรารู้ทันไปเรื่อยนะถ้าใครไม่ถนดัดดูจิตก็ดูกายในชีวิตประจาวันเห็นร่างกายมันเดินร่างกายมันยืนร่างกายมันนอนร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูไปเรื่อยก็ยเห็นไม่มีตัวมีตนเหมือนกันนะจะเริ่มจากดูกายก่อนก็ได้ดูใจก่อนก็ได้แต่พวกที่ทํางานที่ใช้ความคิดเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนเร็วเราดูจิตใจของเราเนี่ยเราทํากันบ้านทั้งวันเลย ได้เห็นของจริงทั้งวันว่ามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้นะถ้าฝึกได้นะชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นใครเคยฟังซีดีหลวงพ่อบ้างมีไหมพวกเยอะนะได้ยินที่เขาส่งกันบ้านไหมคนไปส่งกันบ้านบอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนทำไมชีวิตเขาเปลี่ยนเพราะจิตของเขาเปลี่ยนจิตใจเขาเปลี่ยน เขาเคยทุกข์มากเขาก็ทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานเขาก็ทุกข์สั้นลงนะธรรมะของพระพุทธเจ้านี่อจจัศจรรย์มากเขาพูดอย่างนี้นะเพราะหลวงพ่อสอนลูกศิษย์ให้นับตือพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้นับตื่หลวงพ่ออยู่คนเดียวนะธรรมะของพระพุทธเจ้าอาจจัศจรรย์มากนะเมื่อเราลงมือปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องแล้วนะปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติสมควรแก่ธรรมแล้วเนี่ยในเวลาไม่นานเลยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเราจะเป็นคนใหม่นะบางคนเนี่ยหัดใหม่ๆนะ หัดไปสักทักหนึ่งเนี่ยทางบ้านแปลกใจว่าทําไมเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นะทางบ้านเลยตามมาที่วัดหลวงพ่อเนี่ยมาเป็นครอบครัวเนยเยอะเลยมาเรียนทางบ้านเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นคนในบ้านเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเคยโมโหทั้งวันนะเดี๋ยวนี้พอโมโหวแวบหายละโมะโหวแวบก็หายละเคยเครียดทั้งวันนะพอรู้สึกเครียดปับ๊บสติะระลึบปั๊บก็หายละไม่ได้ฝึกให้หายนะมันหายเอง เพราะว่าปัญญามันแจ้งมันเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวนะฝึกนะไปลองทำดูถ้าฟังหลวงพ่อทีเดียวไม่เข้าใจไปฟังซีดีนะมีซีดีให้ฟังไปไหนก็ซีดีไปแจกด้วยแหละนะไปฟังแล้วก็ฟังบ่อยๆนะฟังแรกฟังอีกนะฟังแล้วก็ค่อยๆสังเกตของจริงกระทั่งเด็กเล็กๆนะพ่อแม่ฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยพอขึ้นรถก็เปิดซีดีหลวงพ่อเลยเมื่อก่อนเปิดเพลงเบิร์ดบเลยเนะ เดี๋ยวนี้ไม่เอาเปิดหลวงพ่อประมุ่ลละแข่งกับแกล้มงกแกรมมีนสู้เขาได้นะก็ของหลวงพ่อแจกฟรีของเขาขายก็สู้กันไหว <c oughs> เด็กมันได้ยินทุกวันนะพ่อแม่ก็นึกว่าตั้งใจฟังธรรมะพ่อแม่ยังไม่เข้าใจเลยไอ้ <c oughs> เด็กเล็กๆเนี่ยขึ้นรถไปด้วยวันหนึ่งคนปาดหน้าแม่โกรธขึ้นมาแม่โกรธโกรธมากอย่างนี้นะะลึงเลย จะไปปาดคืนจะกดแตรดามันลูกมันถามแม่แม่แมโกรธแล้วรู้ไหมโกรธแล้วให้รู้ว่าโกรธนะแม่เลยตะลึงเลยนะงั้นจริงๆแล้วธรรมะไม่ใช่ของยากนะธรรมะไม่ใช่ของยากธรรมะก็คือของธรรมดานี่เองแต่มันธรรมดาจนกระทั่งเรานึกไม่ถึงนะเงั้นเรารู้สึกตัวนะขั้นแรกอย่าให้ใจลอยไป รู้สึกตัวบ่อยๆแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงในกายในใจเรื่อยๆไปร่างกายเปลี่ยนตลอดนะหายใจออกหายใจเข้านี่ก็เปลี่ยนและเปลี่ยนอิริยาบถนี่ก็เปลี่ยนแะ้วจิตใจเราก็เปลี่ยนตลอดตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบจิตใจก็เปลี่ยนเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงในกายดูความเปลี่ยนแปลงในใจถึงวันหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมาว่าตัวอย่างชั่วคราวจะได้ธรรมะละนะก็ปลอดภัยเข้าถึงจุดที่ปลอดภัยละค่อยฝึกต่อไปจนวันหนึ่งปัญญามันลึกซึ้งเข้าไปมันเห็นเลยว่า สิ่งทั้งหลายซึ่งเกิดระดับเนี่ยอะไรเกิดระดับตัวทุกข์นะั่นแหละเกิดระดับนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีระดับถ้าเห็นถึงตรงนี้นะจิตจะปล่อยวางแล้วถ้าโสดาบันยังไม่ได้ปล่อยวางแค่เห็นความจริงเท่านั้นเป็นพระอราหารันต์ถึงจะปล่อยวางได้นะก็ะฝึกไปนะไม่ยากหรอกอวันนี้เท่านี้ก็พอ สังเกตใจเราสิใช่ไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บใจเราขณะนี้กับตอนที่หลวงพ่อพูดอยู่ใจเราไม่เหมือนกันดูออกไหมเนี่ยการปฏิบัติทำนะเราจะไม่มีเว้นวักเราจะคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยยิ่งเรารู้ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะปัญญามันจะแจ้งเร็วเท่านั้นเชิญโยมเชิญกราบน้ำพระสการหลวงพ่อคะ่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อกรุณาให้ลูกได้ดูกายแล้วก็เห็นกายแล้วคะ่ะ วันนี้มาทวงขอเรื่องดูจิตค่ะ <LE> ว <AM 1> <un> ัน <n> นี้มาทวงเรื่องดูจิตค่ะเห็นไหมว่าจิตไม่ถึงฐานจิตกระจายออกนอกดูออกไหมตอนนี้วิ่งไปที่หลวงพ่อแล้วค่ะใช่จิตมาอยู่กับหลวงพ่อไงให้รู้ทันว่าจิตออกนอกถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปจิตมันไหลไปน้ำจะค่อยตั้งของมันเองอย่าดึงคืนนะถ้าดึงคืนมันจะแน่นถ้าแน่นเนี่ยตึงเครียดเกินไปการปฏิบัติธรรมนะต้องไม่หย่อนไปไม่ตึงไป หย่อนไปก็คือจิตมันหลงไปไหลไปลืมกายลืมใจตึงไปก็คือบังคับตัวเองไม่ให้ใรกระดุกกระดิกเลยนะบังคับจิตจะนิ่งนิ่งตอนนี้บังคับมากไปไหมขณะนี้ บ, งบังคับค่ะเพราะตื่นเต้นค่ะกอบังคับให้รู้ว่าบังคับนะเห็นไหมมันสุดโตง่งเมื่อกี้มันไหลมาอยู่ที่หลวงพ่ออเนี้ยมันหย่อนไปเนี่ยตอนนี้เห็นว่ามันไหลไปก็ดึงคืนมันก็ตึงไปแล้วพอดีอยู่ที่ไหนพอดีทําไม่ได้ พอดีอยู่ตรงที่รู้ทันว่ามันไหลไปนะแล้วมันจะพอดีเองหนีไปคิดไหมคิดค่ะจิตหนีไปคิดให้รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะหลวงพ่อคะบางวันจิตอยากพูดไหมค่ะขอถามค่ะเห็นไหมมันความอยากมันดันขึ้นตรงไหนกลางอกค่ะถูกต้องความอยากดันขึ้นกลางอกในตำราแพทย์มันคงมีไหมมีไหมตันหาผุดขึ้นกลางอกมีไหมจิตแพทย จันมหาบัวสอนทำแท้เกิดขึ้นกลางอกอะไรที่เป็นทำแท้บ้างนี่กิเลสนี่ทำแท้นะกุศลนี่ทำแท้นะมรรคผลนี่ทำแท้นะแหวกขึ้นที่กลางอกนั่นแหละแล้วไงอีกอบางวันนะคะดิฉันก็ดูปฏิบัติได้ดีมากเลยค่ะสติเกิดบ่อยๆแต่บางวันตื่นขึ้นมาเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั่นแหล ะ, ะเป็นอย่างนั้นทุกคนนะเป็นทุกคนแหละทุกขั้นตอนด้วย บางวันเหมือนมักผลนิพพานอยู่ต่อหน้าแล้วบางวันภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่เป็นทํททาไงทําสมถะไปพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็เป็นขึ้นมาอีกแล้วกุญแจดอกสุดท้ายที่หลวงพ่อจะให้ดิฉันค่ะยังไม่ถึงนะง <laughs> ยังไม่ถึงนะตอนเนี้ไปดูเฉยๆนะคะตาม<อ>รู้นนจิตรู้การดอกสุดท้ายได้ยังไงยังไม่ถึงหดอกไม่ไม่ใช่อย่างนั้นคะ่ะหมายก็ ว, ว่ากลับไปแล้วเนี่ยไปทํำยังไงดีคะรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนนะและอย่าบังคับมันค่ะ รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปแนละ้วไม่บังคับมันตรงที่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปเราจะได้สมาธิตรงที่เราเห็นจิตเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเราจะได้ปัญญาหนีไปคิดหรือยังคิดแล้วค่ะอยากให้รู้ทันเห็นไหมเขาคิดได้เองค่ะตรงที่เราเห็นว่าเขาคิดได้เองนี่เรียกว่าเห็นอนัตตานะกราบขอพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงค่ะจิตโปร่งหรือจิตแน่นโปร่งขึ้นแล้วค่ะเอออ่ะเชิญไปนั่งเราไม่ได้เอาจิตโปร่งหรอกเราเห็นจิตไม่เที่ยง กับนวัตการหลวงพ่อค่ะรีฟังซีดี CD ของหลวงพ่อมาเป็นเวลาประมาณสักสี่เดือนได้แล้วค่ะตั้งแต่ประมาณมิถุนาเริ่มฟังนะคะก็คือฟังจาก อ, อินเทอร์เน็ตก็ไปดาวน์โหลดมาเดี๋ยวถนะ้าหลวงพ่อฟังไม่ออกอะ่ะเอาฟังไม่ออกย่พูดภาษาไทยเปล่าะ <laughs> เสียงเหมือนกล้องไหมเจ้อ๋อพอดีว่าหนูฟังซีดีของหลวงพ่อมาเป็นเวลาประมาณสักสี่เดือนได้แล้วค่ะอืแล้วก็เริ่มฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าตอนนั้นช่วงช่วงนั้นวาวุ่นมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่พอฟังแล้วรู้สึกว่าอ่าปฏิบัติแล้วก็ดูจิตดูใจตัวเองตามที่ของหลวงพ่อบอกนะคะก็จะรู้สึกว่า ตัเองใจเย็นขึ้นแต่ว่าวันนี้ตื่นเต้นค่ะรู้สึกว่าตื่นเต้นถูกนะมันก็จะต้องใจเย็นขึ้นอ่ะเพราะว่าอย่างความโกรธความหงุดหงิดมันเกิดเรารู้ทันนะมันก็หายใจมันก็เย็นแหละนะแต่ก็วันนั้นที่ได้ไปฟังหลวงพ่อที่ที่สถาบันราชมงคลอ่ะนะคะก็มีความรู้สึกว่าวันนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่แต่วันนี้ยังตื่นเต้นอยู่อะค่ะและ้วทีนี้ว่าในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยหนูมไม่รู้ว่า ที่หนูทำมาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าถูกสิถูกแ ล, ะละ้วล่ะหนูเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นโคนละอันกันก็นก็แยกได้อยู่ค่ะเพราะว่ า, เ พ, า, วาเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราสับสนในชีวิตหรือเปล่าในการที่ว่าเราเราแยกธาตุแยกขันธ์กับที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเห็นไหมว่ากิเลสกับจิตนะั่นก็โคละอันกันเห็นค่ะนะถ้างั้นดูจิตถนัดกว่าดูกายก็จะเป็นเป็นลักษณะคนโมหะจริตนะคะโมหะจริตเนี่ยเป็นเรื่องทำสมถะ นะจริตของการกทำสมถามีหจริตราคะโทสะโมหะนะพุทธิวิโตกสัทธาจริตหกอันแต่วิปัสสนามีสองจริตตัณหาจริตรักสวยรักงามรักสุขรักสบายกับทิฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นหนูช่างคิดไหมช่างคิดค่ะช่างคิดช่างคิดไม่ด้วยเนื้องานด้วยค่ะด้วยเนื้องานคือเราจะต้องเข้าไปบริหารจัดการคนอื่นเขาด้วยทำไปตามหน้าที่สินะ S <S <S แต่ว่าถ้ากิเลสเกิดหรือความรู้สึกอะไรแปลกปลอมขึ้นในใจเรารู้เราจะจัดการคนอื่นได้อย่างเที่ยงธรรมบางทีก็มีความรู้สึกว่าเราเราเราไม่เที่ยงหรือเปล่าคือคือเหมือนมีความรู้สึกว่าเราเราเข้าข้างอีกคนนึงไหมหรือยังไงเนี่ยค่ะหนูก็กลัวว่าหนูจะอตัดสินใจไม่ถูกระหว่างน้องใต้บังคับบังชายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าบางทีตัวเราเนี่ย Uh, เป็นอีกคนหนึ่งเราก็จะบอกว่าเฮ้ย oh, อย่ากโกรธนะอย่าโกรธนะโอ้ไม่ได้เราห้ามไม่ได้ <c oughs> เราแค่โกรธเรารู้ทันนะอย่าถึงขนาดว่าอย่ากโกรธเลยก็ <c oughs> ข้ามไม่ได้<อ>หรอกขอกันบ้านหลวงพ่อค่ะให้รู้ทันจิตบ่อยๆนะ <c oughs> รู้เรื่อย <c oughs> จิตสุขจิตทุกขจิตทีจิตร้ายรู้บ่อยๆไวค่ะขอบคุณค่ะ กลับนมสัส ก, การหลวงพ่อค่ ะ, ะคือหนูฟังซีดีหลวงพ่อค่ะแล้วก็มาปฏิบัติได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วก็หนูรู้สึกว่าจิตใจเปลี่ยนแล้วแต่ว่าหนูค่อนข้างหลงโลกไป ม, มา ก, <laughs> กลมาแล้วก็นี่นะถ้าอยากจะพัฒนาเร็วๆนะกลับมารู้สึกในร่างกายบ่อยๆนะกลับมารู้สึกที่กายไว้ให้มากเลย หนูลองเอ่อลองเวลารู้สึกโกรธหนูก็รู้ทันแล้วก็อืมอ่ารู้สึกว่าความโกรธมันมันเวลามันเกิดขึ้นทีหลังมันค่อนข้างจะเกิดแล้วเรารู้สึกว่ามันหายเร็วหนูไมต้องหายเร็วเลยความโกรธมันเกิดตอนเผลอความโลภความหลงเนี่ยเกิดตอนเผลอทั้งหมดเลยนะกิเลสเนี่ยเกิดตอนเผลอถ้าเรารู้กายรู้ใจอยู่จะไม่มีหรอกงั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างเราโกรธเลยแล้วเรารู้ทันว่าโกรธเนี่ยสติมันเกิด ทันทีที่สติเกิดกิเลสดับอัตโนมัติเลยไม่ต้องไปดับมันของหนูนะต้องระวังอันหนึ่งใจมันไม่ถึงฐานใจมันกระจายออกไปนะนั้นพยายามกลับเข้ามารู้สึกตัวอย่าให้ใจมันฟุ้งๆออกข้างนอกหนูสงสัยเรื่องอวิหารธรรมหลวงพ่อที่ที่เวลาอย่างหนูเป็นคนดูลมหายใจเราทีนี้เวลาดูลมหายใจปุ๊บหนูสงสัยว่าต้องดูตลอดเวลาไหมหรือว่า เวลาดูอย่างเวลาหนูดูลมหายใจเนี่ยแต่พอเวลาหนูเริ่มเดินหรือเริ่มขยับตัวหนูจะดูลมหายใจไม่ค่อยถนัดธรรมดาจิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะถ้าเราไปอยู่กับลมหายใจเราคงเดินตกถนนไปแล้วละ่ะงั้นเวลาดูอย่างเวลา<ย>รู้ลมหายใจนะให้รู้ทันจิตนะเช่นเราหายใจออกหายใจเข้านะจิตเราหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตร้ายคอยรู้ทันจิตไว้ จิตนจะได้ถึงฐานจริงๆนะแต่ไม่ต้องดูลมหายใจตลอดเวลาใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่เอาจิตเป็นหลักเวลาขยับมือเราจิตไปที่มือก็รู้ไปรู้รู้ว่าจิตไปที่มือรู้<แ>ทันจิตไปแ ค, แ, ค แ, คแค่นั้นก็พอใช่ไหมแค่นั้นแค่นั้นก็พอใช่ไหมไม่ต้องพอพอ <c oughs> ถ้ารู้ทันจิตได้ก็ใช้ได้แล้วโอเคแต่ต้องคอยรู้นะเวลาจิตมันเคลื่อนไปเคยเห็นไหมเคยเออถ้าจิตเคลื่อนนะรู้ทันเรื่อยๆนะจิตจะตั้งมั่น สมาธิมันจะเพิ่มตอนนี้สมาธิน้อยไปหน่อยนะต้องฝึกสมาธิเพิ่มใช่แต่ไม่ใช่ฝึกทำให้นิ่งนะเช่นหายใจไปแล้วจิตแอบไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปหายใจไปเรื่อยๆแล้วจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทันมันจะเคลื่อนไปสองที่นะเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปเพ่งมันตึงไปกัหย่อนไปคุณค่ะอเชิญคนต่อไป นวัตกรรมหลวงพ่อครับออันแรกขอส่งกันบ้านก่อนนะครับคือเมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเกิดกิเลสแล้วรู้ทันอะไรนะอะไรรู้ทันนะคือเกิดกิเลสขึ้นมาในใจครับแล้วรู้ทันแล้วปรากฏว่ามันหายไปคราวนี้รู้สึกว่าพึงพอใจว่ารู้ทันแล้วมันหายไปืรับมันก็ต่อไปเรื่อยๆย่เี้นะครับแต่ว่าเว้นช่วง ก็เลยวิเคราะห์ต่อว่าทําไมมันหายไปเร็วอาจจะเป็นเพราะว่าเราฝึกในรูปแบบน้อยไปหรือว่าจิตไม่มีกําลังหรือเปล่าตรงนี้นี่คืออยากถามหลวพ่อนะครับอะไรหายแปลสติห า, หายหรือกิเลสหายช่วงแรกกิเลสหายแล้วแล้วมันก็ไม่ไม่ผล่มาอีกครับกิเลสชนิดนั้นไม่โผล่มาอีกแล้วถ้าเรารู้ทันมันก็หายครับนะเป็นเรื่องปกติแล้ว ม, มันมีโอกาสผล่ขึ้นมาอีกไหมครับมีสิ ครับใช่ครับเดี๋ยวมันก็มาแคราวนี้ประเด็นตรงนี้คือว่ามันเป็นเพราะเราจิตเราไม่มีกําลังหรือเปล่าเพราะมันมันทันติกต๊กติก๊กกไปแต่ว่าไม่ไม่บ่อยอะไปแป๊บเดียวแล้วก็หายไปแล้วยิ่งสติเร็วนะจิตมีพลังมากเนี่ยมันจะเห็นสภาวะที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นปัจจุบันสั้นนิดเดียวช่วงขณะต่อหน้าท่า น, นแวบัวขาดแวบก็ขาด ครับไม่กี่วินาทีเองแล้วก็หายไปแล้วแล้วกลับมาเผอต่อเป็นวินาทีนี่นานไปนะครับจิตใจวนนั้นอีกนะ <c oughs> ครับแต่ใครรู้เร่นะเกิดวับดับวับดับวับดับไปครับ <c oughs> คนนี้อีกอันนึงครับที่ผมติดตามมาแล้วคือว่าคําว่าเจริญปัญญาเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าผมเข้าใจอะตอนนี้รู้สึกว่ารู้ไม่จริงอะ่ะอยากให้หลวงพ่ออธิบายซ้ำหน่อย <c oughs> คำว่าเจริญปัญญานะเรก็มีเ<อ>ครื่องมือสองตัวตัว<อ>หนึ่งก็คือมีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปนามกายใจไปแต่ในขณะที่สติระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปนามนะจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูเพือมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยเวลาท่านสติระลึกรู้เช่นสติระลึกรู้ความโกรธเนี่ยจิตจะไหลตามความโกรธไปหรือไปเพ่งใส่ความโกรธ ระลึกรู้ความสุขจิตก็ไหลไปอยู่ที่ความสุขถ้าจิตไหลไปจะไม่เห็นไตรลักษณ์จริงต้องจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามีสองเงื่อนไขนะที่หลวงพ่อสรุปออกมาว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั่คือจิตที่มีสมาธิเะฉั้นถ้าทํา2ตัวนี้ได้มีสติกัมีสมาธิที่ถูกต้องได้นะปัญญาเกิดเอง ถแสดงว่าบางครั้งมันเดินปัญญาอยู่หรือเปล่าครับแต่ว่าไม่กี่วินาทีเหมือนกันปัญญาเนี่ยไม่เดินนานรู้สึกว่ามันบบเวลาปัญญาเกิดเนี่ยเกิดชั่วขณะเท่านั้นถ้าปัญญาจริงๆนะเกิดแบบชั่วแว บ, บเดียวเองครัอย่างเมื่อกี้ตอนที่นั่งฟังหลวงพ่อ้นั่นเป็นความเข้าใจาวาคว่ามเข้าใจจากการฟังส่วนความเข้าใจเป็นปัญญาที่จะล้างกิเลสเนะปัญญาของจิตเนีเกิดชั่วขณะเดียวเอง เวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยเกิดขนาจิตเดียวแสดงว่าเกิดได้ครั้งเดียวฮะแสดงว่าเกิดได้ครั้งเดียวใช่ไหมครับเป็นไงเกิดได้ครั้งเดียวคือปัญญาเนี่ยมันจะเกิดนะเราสั่งมันไม่ได้นะเรามีหน้าที่เรียนให้พาให้จิตใจเราเรียนรู้ความจริงไปนะสมวนว่าจิตใจเราเหมือนเด็กเหมือนลูกเราเนี่ยเราจะไปทําลูกเราให้ฉลาดไม่ได้นะเราก็ให้มันเรียนหนังสือไปอะไรไปอบรมไปต้องค่อยเกิดความเข้าใจ ในขณะที่เกิดความเข้าใจเนี่ยเป็นเวลาชั่วแว บ, บเดียวเวลาที่เราอ่านหนังสือที่ยากมากๆหรือฟังเรื่องที่ยากมากมากนะฟังเที่ยวหนึ่งไม่รู้เรื่องสองเที่ยวไม่รู้เรื่องสามเที่ยวพอจุดที่จะเข้าใจเนี่ยเข้าใจในคลิปตาเดียวเองในแว บ, บเดียวเองนั่นแหละจุดที่ปัญญาแท้ๆจากการภาวนาเกิดนะจะเกิดในแว บ, บเดียวส่วนปัญญาที่เป็นตูเป็นตาเป็นเรื่องเป็นราวนี้ปัญญาจากการคิดทั้งสิ้นเลยอย่างเมื่อกี้นี้นะครับมันมันรู้ว่า มือจับไม้อยู่อืรู้ว่าอยากถามหลวงพ่ออืมมันตึกตึกไปเรื่อยอย่างนี้ใช่หรือเปล่ะเรียกว่าเดินปัญญาบ้างก็เรียกว่าว่าก็มีตัณฑ์เจริญวิปัสนาอยู่ะก็เห็นไหมมันเปลี่ยนไปเรื่อยจิตนี่เปลี่ยนไปเรื่อยเห็นไหมเดี๋ยวไปรู้มือเดี๋ยวไปรู้จิตเดี๋ยวไปรู้ทำเปลี่ยนไปบ่อยๆแค่ขยับมือนิดนึงก็รู้ละเอย่ห็นร่างกายขยับใช่เป็นคนดูนะไม่ใช่เรา แต่ถ้าเห็นร่างกายขยับเฉยๆอย่างนี้นี่ก็มีสตินะแต่ตรงที่ปัญญาเกิดเนี่ยมันจะปิ้งขึ้นมานะจะรู้สึกขึ้นมาเลยตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่เรารตัวนี้มันจะเกิดในขณะเดียวแสดงว่าเมื่อกี้นี่คือวิปัสสนาธรรมดาเป็นวิปัสสน า, าครับขอบคุณมากครับเขาเรียกว่าปุพพากมักเบื้องต้นแห่งมักส่วนในปัญญาในขณะที่เกิดอริยมรรคนะี่ช่วงขณะจิตเดียวครับ อันนี้เป็นเรื่องปกติเลยอย่างเราเรียนอะไรที่ยากๆนะเราฟังแล้วฟังอีกหลายรอบจุดที่เราเข้าใจมันช่วงขณะเดียวที่จะเข้าใจกราบสมัศ ก, การหลวงพ่อครับไม่ได้ตั้งใจออกมาถามแต่ว่าตั้งใจออกมากราบขอบพระคุณหลวงพ่อเนื่องจากรู้จักหลวงพ่อทางซีดีมาเจ็ดปีกว่าแล้วครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆปฏิบัติมาเรื่อยๆออจนวันนี้ รู้สึกปิติครับได้มาเจอหลวงพ่อแล้วก็ตอนนี้รู้ว่าตื่นเต้นอยู่ครับเคยเห็นแม้กายกับใจเป็นโคนละอนกันครับนะเห็นไหมสุขทุกข์กับจิตใจก็โคนละอันอันนี้ได้ไหมเห็นไหมกิเลสกับจิตใจเป็นโคนละอนกันเห็นว่ามีผู้รู้แยกออกมาอยู่ครับเออได้แต่ตรงที่มีผู้รู้แยกออกมาเนี่ยยังมีสองลักษณะนะครับอันหนึ่งเป็นการแยกออกมาแล้วเราก็ประคองรักษาตัวผู้รู้ไว้ อย่างขนาดนี้มีการรักษาตัวผู้รู้มันจะนิ่งกว่าความเป็นจริงครับมันจะเห็นว่าตัวอื่นๆแสดงไตรลักนะแต่จิตเนื้อเที่ยงถ้าอย่างนี้ยัางที่ว่าเราไปประคองตัวผู้รู้ไว้ครับอย่างนี้ยังไม่ดีต้องปล่อยให้ตัวผู้รู้ทํางานแล้วจะเห็นตัวผู้รู้เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดอย่างขนาดนี้รู้สึกไหมมีการประคองอยู่ไหมมีครับนะให้รู้ทันตัวนี้นะเราแค่เปลี่ยนธรรมชาติเลยตัวผู้รู้เองก็เกิดดับ ถ้าเราเห็นตัวผู้รู้ตัวจิตก็เกิดดับได้เนี่ยเราถึงจะรู้แจ้งว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไม่ใช่จิตเที่ยงต้องระวังเรื่องจิตเที่ยงนะครับขอบพระคุณหลวงพ่อครับนามัสการครับหลวงพอ่อก็มาส่งกันบ้านครับว่าไงเอามากันบ้านก <c oughs> ็จิตใจสบายขึ้นครับปล่อยวางอารมณ์ได้บ่อยขึ้นครับ เราไม่ได้เรียนเพื่อให้มันปล่อยหรือไม่ปล่อยออกนะเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงเราบังคับมันไม่ได้หรอกแล้วมีแต่ของไม่คงที่ที่เรามุ่งมาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของไตรลักษณ์นั่นเองนะไม่ได้เรียนเพื่อบังคับมันถ้าเราเรียนเพื่อบังคับจะอึดอันดนดีขึ้นเยอะแล้วล่ะขันแยกไหมแยกครับนะดีขันแยกขันแยกต่อไปนี้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไม่เกี่ยวกับเราแล้ว ความสุขความทุกข์ไม่ใช่ของที่จะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยใช่ไหยความสุขที่คนในโลกสแสวงหาเราภาวนามาถึงอย่างนี้เราก็เห็นความสุขก็เกิดแล้วก็ดับเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยก็ไม่ได้เราดูไปเรื่อยนะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้เลยต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงไหมครับจิตไม่อยู่ จ, จิตฟุ้งซ่านไหมตอนนี้ฟุ้งเก่งไหมครับ นะั้เฟตูตัวนั้นนะทำในรูปแบบนะทำประจำไหมคือคือถ้าส่วนมากจะจะติดเพ่งครับห ร, รางพ่อจิตมันจะอึดอัดขึ้นมาออผมก็จะคอยคอยตามรู้จิตที่อึดอัดแล้วก็คลายออกเป็นทางอันนั้นเป็นการแก้ที่ปลายทางมันนะแต่ถ้าเราเห็นจิตอึดอัดเนี่ยเพราะเราจงใจปฏิบัติเราจงใจปฏิบัตินะเพราะเราอยาก เราอยากรู้ตลอดเวลาอยากเห็นตลอดเวลาอยากได้ผลเร็วๆอะไรเนะี้ยมีความอยากเกิดขึ้นนะจิตก็เกิดการทำงานนะแล้วก็เกิดเป็นผลคือกาแน่นมีกิเลสเกิดการกระทากรรมเกิดวิบากคือตัวแน่นตัวทุกข์นี้นะนั้นถ้าเราเห็นตัวทุกข์แล้วตัวแน่นแล้วเราค่อยๆ ค, คลายนี่คือเราไปพยายามไปแก้ที่ตัวผลมันนะมันจะแก้เป็นคลาล์ๆไป แต่ถ้าเราเห็นความอยากที่จะปฏิบัติความเร่าร้อนที่จะปฏิบัติเราเห็นตัวนี้ขาดไปปุ๊บมันไม่เกิดการอัดขึ้นมามันยะไม่แน่นมันจะไปทำลายที่ต้นเหตุคือตัวกิเลสงั้นแต่ว่าเบื้องต้นถ้ามันแน่นขึ้นมาก็คลายมันออกก่อนก็ถูกแล้วละแล้วค่อยๆสังเกตทำไมแน่นแน่นเพราะจงใจปฏิบัตินะจิตหนีไปไหนหนีไปคิดก็ออให้รู้ทันนะจิตห น, นีไปละ คือตอนนี้ถ้าไปปฏิบัติในรูปแบบมันมันจะแน่นขึ้นมาแล้วผมเพราะเลยตอนนี้เลยหลีกเลี่ยงอยู่ครับปฏิบัติสิแต่ทําเล่นๆ น, นะ <c oughs> อย่าไปปฏิบนะัติแล้วเอาปเป็นเอาตายนี่ <c oughs> พวกเราพลาดตรงเนี้ยเพอย่างสมมติว่าเราจะนั่งสมาธินะขั้นแรกที่เราทําคือวางฟอร์ม <c oughs> วางฟอร์มทางร่างกายเสร็จนะก็ <c oughs> วางฟอร์มทางใจทําขลึมเนี่ย <c oughs> ทำขลึมล่ม น้ม น, มนม้มันไม่ใช่หลักของการปฏิบัตินะถ้าเราจะปฏิบัติจริงๆนะร่างกายเป็นยังไงรู้สึกจิตใจเราเป็นยังไงรู้สึกไม่ได้แกล้งทำนะถ้าแกล้งทําน้อมไปทำนะจิตผิดปกติไปขณะนี้น้อมไหมขณะนี้เป็นธรรมชาติหรือเปล่าขณะนี้แน่นเข้ามาครับแน่นเห็นไหมไม่เป็นธรรมชาติหรอกเราไปรวบเข้ามาลนะเราไปดึงเข้ามาหลวพ่อทําหน้าให้ดูทำอย่างนี้ อย่างเนี้นะแล้วอยู่ทั้งวันใครด่ า, ากนะานะ็ไม่โกรธนะเนี่ยเราอึดอัดนะไม่ทํามันทําไมเราต้องการเห็นกายอย่างที่กายเขาเป็นเราต้องการเห็นจิตใจอย่างที่จิตใจเขาเป็นนะเราไม่ได้ไปมุ่งบังคับเขาหรอกเราต้องการให้เห็นว่าบังคับไม่ได้แต่ถ้าเราไปทําสมถะไปเพ่งอะไรนะี่กลายไปว่ากูเก่งงั้นสมถะเนี่ยถ้าทำแล้วไม่ได้เดินวิปัสสนานะแทนที่จะเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานะมันจะรู้สึกเป็นนิจจังสุขขังอัตตาขึ้นมา กราบนมั ส, ส ก, การหลวงพ่อคะอ่ะหนูขออนุญาตส่งการบ้านคะ่ะไม่ได้ส่งการบ้านมาประมาณสักปีครึ่งแล้วนะค ะ, ะหนูเพิ่งไปได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมที่จังหวัดอุบลราชธานีานนค่ ะ, ะค่ะก็ะแล้วก็รู้สึกว่าในช่วงการปฏิบัติธรรมอันนี้ถึง ท, ที่ทำได้ดีก็คือคือมันมันสามารถจะแยกร่างกายหรือว่าแยกเวทนาทางกายได้ดีมากนะคะหมายความว่า รู้สึกว่าอย่างที่เมื่อก่อนนี่อาจจะรวมกันเหมือนกับขันรวมกันเป็นก้อนแล้วก็เป็นทุกข์ทรมานแต่อมอนเดี๋ยวนี้สามารถจะมองความเจ็บปวดหเหมือนเป็นอะไรบางอย่างที่มันอยู่ข้างนอกมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้ทำได้ดีมองเห็นอนัตตาของร่างกายได้ดีค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ไม่ค่อยดีแล้วรู้สึกว่ามันมันมันก็คือเรื่องของการตามรู้ตามดูสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตนะคะค่ะแล้วก็ อยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อว่าตรงนั้นเนี่ยจะพัฒนามันได้ยังไงค่ะขอบคุณค่ะคือการดูจิตดูใจเนี่ยอย่าจงใจดูถ้าเริ่มต้นเออละถึงเวลาแล้วจะดูจิตดูไปจะว่างเลยจะไม่มีอะไรให้ดูหรอกน ะ, ะการดูจิตเนี่ยต้องเป็นธรรมชาติฝึกในชีวิตประจำวันเนี่ยดีที่สุดเลยตามองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วค่อยรู้น ะ, ะอย่าไปจ้องอย่าไปรอดูของคุณไปรอดูอยู่มันจะไม่มีอะไรให้ดูว่างออค่ะ ค่ะก็ก็คือแล้วถ้าสมมุติเราเราถ้าเกิดว่าเราเริ่มจะรู้มันแล้วก็เห็นว่าเราไม่เป็นกลางกับมันอย่างเนี้ค่ะถ้าเราจะบอกมันตอนนี้เอาอย่างนี้ดีกว่านะดูกายนี่แหละค่ดูกายแต่ไม่ใช่แค่รู้สึกว่ากายอยู่อันหนึ่งใจอยู่อันนึงไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะค่ะเป็นตัวที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราทําความรู้สึกอย่างนี้เรืๆมันไม่ใช่เราหรอก ค่ะค่ะก็สามารถที่จะในตัวที่พยักหน้าไม่ใช่เราหรอกนะถ้ารู้สึกตัวนี้พยักหน้านะมีสติเฉยๆนะอืมค่ะค่ะก็ให้ดูด้วยว่าคือคือเบื้องต้นเนี่ยถ้ามันไปทําสมาธิมามากเนี่ยมันจะไม่เดินปัญญา ง, ง่ายๆหรอกมันต้องคิดนําไปค่ะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านทําสมาธิมากเนี่ยพอออกจากสมาธิท่านสอนพิจารณากายคือกระตุ้นให้จิตหัดมอง ความเป็นอนัตตาเป็นอนัติจังทุกขังอนัตตาของไก่ทําไมไม่ไปดูจิตเพราะไม่มีอะไรให้ดูมันนั่งสมาธิมาออกมามก็ว่างๆไม่มีอะไรให้ดูะค่ะกร ะ, ะดูไก่แต่ดูไก่ให้เห็นไใจลักษ์นะถ้าดูเห็นไก่ไปเรื่อยไก่กระดูกกระดิกรู้สึกรู้สึกรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้ไม่เกิดปัญญาอ๋อค่ะค่ะถ้าหากว่าเราเทีนี้ถ้าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราเ เหมือนกับว่ามันมีความฟุ้งซ่านมากคือบางครั้งนี้แม้แม้ว่าเราจะรู้การเคลื่อนไหวของกายเยอะเนี่ยแต่มันก็มีความฟุ้งซ่านมากครูบาอาจารย์<ม>ท่านใช้พุโทโธน ะ, ะพุโทโธเรารู้ทันจิตพุโทโธจิตหนีไปเรารู้พุโทโธจิตหนีไปเรารู้ค่ะแล้วลถ้าหนูใช้การเคลื่อนไหวของกายเป็นวิหารธรรมแบบนี้อคือตอนเนี้จิตมันมันไปนิ่งทื่อๆ อ, อยู่นะอ๋อค่ ะ, คะใช่ไหมตัวเนี้ที่ทําผิดอยู่ Oh. แล้วเนี่ยมันหนูวงพ่อทำหน้าให้ดูเนี่ยบอกใช้กายเป็นวิหารธรรมแต่ตัวนี้มันทื่ออยู่แล้ว oh. ทิศตัวนี้แหละค่ะ okay. หนูกับวันนี้หนูเข้ามานั่งในนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกว่ามันแน่นๆเหมือนกันค่ะ mm. okay. ทั้งๆที่จริงๆเมื่อก่อนนี้ก็อาจจะเป็นธรรมชาติมากกว่านี้ mm. แต่ว่าตอนนี้หนูติดเพ่งอยู่ใช่ไหมคะใช่ส่วนมาก oh. บางทีไป็นนั่งสมาธิมากๆนะค่ะ <Okay. S 2> แล้วสติปัญญาไม่ทันไม่ติดเพ่ง อ๋อค่ะและอย่างนี้หนูควรจะปฏิบัติในรูปแบบไหมคะในช่วงนี้ปฏิบัติสิแต่ไปเพ่งอยู่ก็รู้เอาอ๋อค่ะค่ะถ้างนั้นก็คงต้องต้องลองดูใหม่ค่ะจิตลงไปคิดหรือยังใช่ค่ะเมื่อกี้คิดค่ะค่ะนะให้ดูตัดค่ะได้ค่ะเห็นไหมเนี่ยเวลาจะดูจิตเนต้องเล่นทีเปลอถ้าอยู่อเอาละจะดูจิตแล้วไม่มีอะไรให้ดูว่างไปหมดเลยนะอืมค่ะแอไปคิดหรือยัง ไปค่ะไปค่ะ pues ค mm ่ะ <c> ร <oughs> ู้ส <c oughs> ึกเลานะค่ะได้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อค่ะขออนุญาตเรียนถามค่ะอยู่ไหนล่ะหลวงพ่ออ๋ออยู่นี่ค่ะก็คือเพิ่งฝึกกลับมาดูจิตมากขึ้นประมาณช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะคราวนี้มีสองคำถามอะค่ะ ก็คือถ้าเกิดว่าคือปกติเนี่ยเราเป็นคนที่แบบเพียง่ายอะค่ะคือถ้าเกิดว่านอนพักผ่อนแล้วเนี่ยมันก็ยังเหมือนตื่นมาแล้วมันจะไม่ค่อยสดชื่นเนี่ยค่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําให้มันเป็นแบบในรูปแบบมากขึ้นอย่างเงี้ยคือเราเนี่ยก่อนจะนอนเราก็เราก็ฟุ้งเนี่ยค่ะแบบตื่นขึ้นมาเราก็ฟุ้งเนี่ยคราวนี้คือเราก็เลยไม่รู้ว่าเราควรจะแบบ ทำยังไงให้มั น, มนเป็นฟูตมันเป็นร่างกายรหรือเป็นจิตใจที่ฟูบางคนมันเป็นทางร่างกายก็มีนะเป็นไฮโปไฮเปอร์ ng, ur, อะไรเงี้ยมันห้ามไม่ได้หรอแต่นะถ้าเป็นทางจิตใจนะเราทําสม่ําเสมออย่าไปคิดว่าจะต้องสงบอะ่ะถ้าอยากสงบมันจะไม่สงบนะมันมีเคล็ดลับของการทําความสงบต้องทําให้อย่างมีความสุขหายใจไปนอนไปหายใจไปสบายๆหลับก็หลับไปตื่นขึ้นมาหายใจต่อมันก็จะไม่ฟุ้งซ่าน แต่ถ้ากลางวันมันวุ่นวายมากนะกือคืนภาวนาบาทีก็ฟุ้งมากงั้นบางทีหลวงพ่อสมัยก่อนหลวงพ่อใช้แบ่งเวลาตื่นนอนมาหลวงพ่อก็ภาวนาหน่อยนึงนะสบนาทีห้านาทีแลยตาลีตาลานไปทำงานแล้วละ่ะกลางวันกินข้าวเสร็จแล้วเดินเดินเดินจงกรมคนก็จะรู้สึกแตกตื่นเนี่ยเขาจับส่งมาอยู่ที่นี่นะเราก็ไปเดินทำเป็นเดินเล่นนะ่นะกินข้าวเมื่อก่อนอยู่ในธรรมเนียบนะ ทานข้าวเสร็จแล้วเดินไปวัดเบญจ่าบ้างไปวัดโสมบ้างเดินกลับมาที่จริงเดินจงกรมเดิแล้วก็ค่อยดูกายดูใจไปเรื่อยคือเราปฏิบัติเป็นช่วงช่วงในแต่ละวันเนี่ยมันจะช่วยให้เราเวลาทํำตอนกลางคืนเนี่ยมันจะไม่ฟุ้งซ่านมากหรือไม่ขาดสติหมดเรี่ยวหมดแรงไปคือ <c oughs> เราไม่ต้องไป ห, กหักโหมว่ากลับไปถึงบ้านก่อนนอนต้องนั่งสองชั่วโมงอะไรอย่างเนี้ กลางวันเราก็กระปกกระเรียดเต็มทีเหนื่อยเต็มทีแล้วไป น, นั่งอย่างนี้นก็หลับอีกสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวเราก็ต้องปรับปรุงให้มันเข้ากับวิถีชีวิตของคนเมืองมีเวลาหนะ้านาทีสิบนาะทีอะไรทามันไปเรื่อยนะอีกคำถามนะคะคือปกติเวลาที่แบบทำงานนะคะหรือว่าคิดเรื่องงานหรืออ่านหนังสือหรือว่าวางแผนอย่างเงี้ยคะ่ะคือจะไม่ใช้คนที่คิดเป็นเป็นเวลาเดียวแล้วเสร็จคือมันมันจะ มันจะคิดเวลานี้แล้วคือตอนไหนมันอยากจะคิดขึ้นมามันก็คิดอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่อยๆจนกระทั่งนอนตอนตื่นบางทีก็คิดเนี่ยค่ะคราวนี้บางทีมันเหมือนยังคิดไม่เสร็จเนี่ยค่ะมันก็ไม่ห้้ามมันไได่ดเหมือนกับมัน<ห>มันก็ไม่เลยไม่รู้จะมองจิตยังไงห้ามมันไม่ได้นะแ <laughs> ห้มันคิดไปแล้วเราก็ดูจิตมันเป็นคนคิดใจเราเป็นคนดูจิตจะคิดห้ามมันไม่ได้นะปล่อยให้มันทํางานไปแล้วก็มีสติรู้ทันไป เช่นพอมันคิดไปแล้วมันรู้สึกฟุ้งซ่านเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอยากสงบรู้ว่าอยากนี่เราปฏิบัติเอาตรงนี้เลยขอบคุณคลำดับถัดไปขอเชิญนายแพทย์วีรพลอุณารัศมีนะครับถวายพวงมาลัยและกลาวขอบคุณหลวงพ่อครับขอแจ้งทุกท่านว่าปัจจัยทยทานที่ทุกท่านร่วมกันถวายสี่หมื่นกว่าบาท น, นะครับผมขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทน ทุกท่านนะครับกล่าวคำถวายเครื่องสักฆานและปัจจัยทยทานนะครับขอทุกท่านร่วมกันตั้งจิตร่วมถวายนะครับค้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสังฆทานกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระพิสุขสงฆ์ขอพระพิสุขสงฆ์จงรับสังฆทานกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอ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 มาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังอุทาปัจายิโนจัตตาโรธรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระหลังปัจจัยหลุกพ่อขอมอบให้โรงพยาบาลไว้นะมี่ใช้ประโยชน์นะ